เพราะหากมาเรือเขียวต้องออกจากบ้านราวๆตีสามคนที่จะมาส่งยังท่าเรือก็จะพลอยลำบากไปด้วยถึงบางกอกแล้วหรือครับลุงหนุ่มกันเชียงถามทิดพองรู้สึกตื่นเต้นเพราะเพิ่งมาเป็นครั้งแรกข้างหนุ่มเจริญก็รู้สึกอย่างเดียวกันหากไม่ยอมแสดงออกด้วยเกรงคนอื่นจะว่าเป็นบ้านนอกเข้ากรุงถึงแล้ว ที่เรือจอดนี้เขาเรียกว่าท่าเตียนเวลาจะกลับเมืองสิงต้องลงเรือที่นี่เรือแดงจะออกเวลาบ่ายสามถึงบ้านเราประมาณหกโมงเชา้าส่วนเรือเขียวออกสามทุ่มถึงบ้านเราสิบโมงขากลับเรือแล่นทวนน้ำจึงใช้เวลามากกว่าขามาทิ์พองอธิบายให้เพื่อนลูกชายฟัง ผู้โดยสารต่างพากันขนสัมภาระของตนขึ้นจากเรือคนเป็นพ่อค้าแม่ขายก็เตรียมขายสินค้าของตนซึ่งมีทั้งขายเองและที่คนกลางรับไปขายแล้วเตรียมซื้อสินค้าจากบางกอะกลับไปขายยังท้องถิ่นตนเป็นอันได้กำไรทั้งขาขึ้นขาล่องขนสัมภาระขึ้นจากท่าเรียบร้อยแล้วทิดพองจึงพูดขึ้นว่า ต้องไปส่งโจ้าโกก่อนประเดี๋ยวช่วยกันขนของไปฝากไว้ที่ท่าเรือตรงเชิงสะพานพุทธและค่อยไปวัดสะเกตคนทั้งสามช่วยกันหอบหิ้วข้าวของพรุงพรังเดินจากท่าเตียนผ่านปะครองตลาดมาอย่างท่าเรือเชิงสะพานพุทธกว่าจะถึงก็เหงื่อตกไปตำตๆกันด้วยของนั้นหนักถึงท่าเรือที่จะไปบาง แ, แวก ทิดพองพูดกับคนคุมคิวเรือว่าผมจะไปบางแวกแต่ต้องไปทุระที่วัดสเกตก่อนขอฝากของไว้ที่นี่ได้หรือไม่ชายผู้นั้นมองหน้าทิดพองแล้วถามว่าคุณจะไปบ้านใครหรือครับถ้าทางคุณคงมาจากต่างจังหวัดหนุ่มเจริญฟังบิดาคุยกับชายผู้นั้นแล้วตั้งข้อสังเกตว่าคนบางเกาะเขาไม่พูดค้ากับเอง เหมือนอย่างคนบางม่วงหมู่แต่เขาใช้คำว่าผมกับคุณแทนตัวเขาจะต้องหัดพูดอย่างนี้บ้างยายสอนว่าข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามเขาจาคำ ข, ของยายได้เสมอผมจะไปบ้านหลวงทาราครับทิดพองตอบชายผู้นั้นมองหน้าบิดานหนุ่มเจริญอีกครั้งแล้วถามว่าคุณคงจะเป็นบุตรชายหลวงทารา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 ตกลงผมจะฝากของไว้ที่นี่นะครับอีกชั่วโมงหรือสองชั่วโมงจะกลับมาได้ครับวางแอบแอบไว้แถวนี้แหละผมจะคอยดูแลให้รับรองว่าไม่หายหนุ่มเจริญนำเงินและสายสะพายที่ยายใ ห, ให้ติดตูไปด้วยเคยได้ยินมาว่าคนบางกอกไว้ใจไม่ค่อยได้จึงต้องป้องกันเอาไว้ก่อนคนทั้งสามพากันเดินจากท่าเรือเชิงสะพานพุธ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 และรอให้ท่านฉันพัตนาเสร็จเสียก่อนจึงสนทนาปราศัยด้วยกินข้าวกันเสียก่อนเรื่องอื่นค่อยว่ากันทีหลังมหาแพ้ยบอกคนทั้งสามหลังจากที่ท่านฉันพัฒนารเรียบร้อยแล้ว <c oughs> กระผมยังไม่อยู่ครับเดี๋ยวว่าจะกลับไปรับทานที่บ้านบ้านไหนโยมมีบ้านอยู่แถวนี้หรือ อยู่บางแวกครับผมเป็นบ้านของบิดากระผมเองครับอ๋อท่านพยักหน้าเป็นเชิงรับรู้หนุ่มกัญเชียงส่งหนังสือที่บิดาฝากมาให้ท่านภิกษุวัยห้าสิบเศษรับมาอ่านและพูดกับเขาว่าจเจ้าเป็นลูกชายนายลานดอกหรือครับผมหนุ่มกัญเชียงตอบ พยายามสังเกตการพูดจาจากบิดาหนุ่มเจริญจะมาอยู่กับหลวงลุงต้องขยันให้มากๆนะลูกศิษย์เก่าเพิ่งออกไปหลวงลุงส่งเรียนจนจบตอนนี้ไปรับราชการอยู่ที่หัวเมืองถ้าเจ้าขยันเรียนก็จะประสบความสำเร็จเหมือนเขาอ้อต้องตื่นแต่เช้า คอยถือบินโตตามหลวงลุงออกไปบินทบทด้้ยนะทำได้หรือเปล่าได้ครับผมหนุ่มกันเชียงรับคำแล้วจบชั้นอะไรมาจะเรียนต่อที่ไหนจบมัธยมสามครับผมตั้งใจว่าจะมาต่อมัธยมสี่แต่ยังไม่ทราบจะเรียนที่ไหนพ่อบอกว่า แล้วแต่ลุงลุงจะช่วยหาที่เรียนให้ครับผมก็เห็นจะมีโรงเรียนสวนกุหลาบเพราะใกลหน่อยกระผมก็ว่าจะให้ลูกชายมาเรียนที่นั่นเหมือนกันครับทิดพองพูดขึ้นดีโรงเรียนนี้เขาวิชาแข็งแต่คงจะเข้ายากสักหน่อยเพราะมีคนมาสมัครสอบกันมาก ต้องแข่งกับคนอื่นเขาฟังมหาแพ้่พูดหนุ่มน้อยทั้งสองก็ใจฝ่อด้วยว่าสอบผ่านมัธยมสามได้คะแนนคาบเส้นทั้งสองคนเรื่องนั้นคงต้องว่ากันอีกทีอันที่จริงกระผมก็พอมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่พอจะช่วยฝากฟังให้แต่กระผมไม่ชอบวิธีนี้อยากให้เด็กเขาเข้าได้ด้วยความสามารถของเขาเองครับ ดีอาตมาก็คิดแบบเดียวกับโยมและถาทุกคนคิดแบบนี้เราก็จะได้คนเก่งจริงดีจริงมารับใช้ชาติบ้านเมืองจริงไหมจริงครับผมถ้าเช่นนั้นกระผมเห็นจะต้องกราบลาบท ห, หน้าที่ของกระผมแล้วประเดียวกินข้าวกันซะก่อนค่อยไป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 โดยเฉพาะที่วัดนี้มีลูกศิษย์ลูกหามากมายบางคนก็ดีมากบางคนก็ดีน้อยบางคนก็แถบไม่มีดีอะไรเลยถึงพระก่เมื้นกันที่ดีก็มากที่มาอาศัยผ่านเลื่องหากินก็ไม่น้อยบางคนเขาไม่ได้มาบวชเพื่อนี้สงสารแต่มาบวช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 มีห้าประเภทด้วยกันคืออกหักหลักลอยคอยงานสังขารเสื่อมเลื่อมใสสี่ประเภทแรกนั้นมีมากส่วนประเภทหลังคือบวชเพราะเลื่อมใสนั้นมีน้อยพระดีๆถึงได้หายากหนักหนา แล้วบวชน้สงสารหมายความว่าอย่างไรครับนุ่มกันเชียงถามก็มาบวชเพื่อจะหนีจากวัฏสงสารน่ะสิท่านมองเห็นว่าการเวียนว่ายตายเกิดนั้นเป็นที่มาแห่งทุกข์จึงอยากจะหนีทุกข์ด้วยการมาบวชจัดเข้าประเภทเดียวกับบวชเพราะเลื่อมใสนั่นแหละ ถ้าเช่นนั้นพวกที่มาบวชเพราะอกหักหลักลอยคอยงานสังขารเสื่อมก็เป็นพวกที่บวชพลานเข้าสุขบวชสนุกตามเพื่อนใช่ไหมครับคราวนี้คนถามเป็นหลานชายเศรษฐีนีแห่งบางม่วงหมู่ภิกษุวัยห้าสิบเศษหัวเราะหืหๆพลางชมว่าเออจอมเก่งนิเลวกกเขาใจแยกแยะจัดประเภท ท่าทางฉลาดเฉลียวอย่างนี้ลุงลุงว่าคงไปได้ไกลทิศพองอมยิม้มขณะที่คนถูกชมนึกไปถึงยายหากยายมาได้ยินคงต้องแย้งว่าถ้าดีแต่ทีเหลวหรือไม่ก็ฉลาดแต่ไม่เฉลียวยายคนเดียวเท่านั้นที่รู้ตื้นลึกหนาบางในตัวเขาแล้วก็รักเขาจะดีชั่วประการใด ยายไม่เคยถือสาเขารักยายมากที่สุดในโลกก็ด้วยเหตุนี้แต่หลวงลุงครับผมไม่รู้ว่าเป็นอะไรถึงได้ไม่ค่อยจะชอบพระเอาซสะเลยบางครั้งผมคิดว่าผมเกลียดพระแต่ไม่ได้หมายถึงหลวงลุงนะครับเขารีบออกตัวทิดพองแอบสะกิดลูกชายมหาแพ้วเห็นจึงว่า จางก็าเถอยอมอาตมาชอบคนที่พูดตรงไปตรงมาพูดไปเลยพ่อนุ่มเจ้ารวมหลวงลุงไปด้วยก่อได้เพราะหลวงลุงก็เป็นพระว่าแต่ว่าทำไมเจ้าถึงเกลียดพระละ่ะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับผมว่าพระท่านเอาเปรียบชาวบ้านงานการก็ไม่ทำแม้พูดไปก็ไม่ดี เจ้าหลุงลุงจะโกรธผมไม่โกรธแน่ก็บอกแล้วยังไงล่ะว่หลวงลุงชอบคนพูดตรงไปตรงมาแต่ระวังนะพอนุ่มมันเป็นกฎแห่งกรรมนะโบราณท่านว่าเกลียดขี้ขี้ตามเจ้าเกลียดพระอีกหน่อยเจ้าจะต้องมาเป็นพระจำคำหลุงลุงเอาไว้ ต่อไปเจ้าจะต้องมาเป็นพระภิกษุวัยห้าสิบเศษเน้นตรงประโยคสุดท้ายเมินสชาติหนึ่งหนุ่มน้อยแอบทิยงในใจแต่ปากพูดว่าเป็นไปไม่ได้หรอกครับหลวงลุ ง, ลงถึงยังไงก็เป็นไปไม่ได้แล้วหลวงลุงจะคอยดูวัดแต่ว่าทำไมเจ้าถึงเกลียดพระนะักมันน่าจะมีสาเหตุนะ พอจะบอกลุงลุงได้ไหมอาจเป็นเพราะผมถูกยายตีบ่อยๆโดยมีพระเป็นต้นเหตุกระมังสมัยเด็กๆผมหาของไปส่งยายที่วัดผ่านฐานพระผมพูดกับยายว่ายายขี้พระนี่เหม็นจังเลยนะยายก็ตบปากผมยายใช้ให้นําอาหารใส่ปินโตไปถวายพระผมเอาไปกินกับเพื่อนๆที่กลางทุ่งอย่าให้รู้เข้าก็ตีผม ผมหุงข้าวสุกไม่ทันใส่บาตรก็ถูกย้ายตีพระทำให้ผมเจ็บโตตั้งแต่เล็กจนโตขขาบอกต้นสายปลายเหตุเจ้าก็เลยเกลียดพระหลวงลุงถามยิ้มยิ้มอย่างอารมณ์ดีครับถ้ายังนั่นก็เป็นการดีแล้วที่เจ้าไม่ได้มาอยู่วัดไม่ฉะนั้นก็จะเกลียดพระนักเข้าไปอีกพระบางกอกนั้นจะว่าไปแล้ว ท่านไม่ค่อยเรรงวินัยสักเท่าไรบางองค์บวชพลานเข้าสุขจริงๆไม่ได้ทําประโยชน์ให้กับชาวบ้านร้านทินเขาเลยเรียกว่าเลี้ยงเสียเข้าสุขเราเลี้ยงไก่ตัวผู้ไว้ขันเลี้ยงไก่ตัวเมียไว้กินไข่แมวเลี้ยงไว้จับหนูหมาเลี้ยงไว้เฝ้าบ้านและพระเลี้ยงไว้ทำไมไหนลองตอบลวงลุงมาสิไม่ทราบครับ หนุ่มน้อยสองคนตอบพร้อมกันเลี้ยงไว้ดับทุกทางใจกระผมทิศพองช่วยตอบให้ถูกแล้วญาติโยมเลี้ยงพระไว้ก็ เ, เพื่อให้ช่วยดับทุกทางใจพระลูกไหนช่วยญาติโยมไม่ได้ก็ถือว่าเลี้ยงไว้เสียข่าวสุขก้อนที่จะช่วยดับทุกทางใจให้เขาได้ ระต้องเล่าเรียนศึกษาต้องให้ได้ทั้งปริญญาปฏิบัติและปฏิเวทไม่ใช่มานั่งกินนอนกินไปวันวันบางพวกยิงร้ายไปกว่านั้นคือตั้งตัวเป็นพ่อมดหมอผีเป็นหมอดูหมอสเสน่หลอกลวงประชาชนพวกนี้เขาเรียกว่ามาอาศัยผ่าเลี้ยงหากินเป็นมารศาสนา แล้วก็แปลกที่ว่าญาติโยมส่วนใหญ่เขาชอบพระประเภทนี้คนโง่เขลาเบาปัญญาเท่านั้นแหละครับหลวงพี่ที่ชอบแต่คนฉลาดเขาจะรู้เท่าทันว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่คำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ก็ยังว่านั่นแหละครับคนโง่มีมากกว่าคนฉลาดพวกที่มาอาศัยพ้าเหลืองหากินจึงมีคนนับถือมากกว่าพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ทิดพองรู้สึกสนุกเมื่อพูดถึงเรื่องนี้จึงกล้าออกความเห็นอย่างตรงไปตรงมาเขาเรียกว่าพวกมิชชาทิทิพวกนี้น่าสงสารนะโยมอุตสาเกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธาศาสนาแต่กลับไปชอบของปลอมๆพูดถึงมิชฉัทิทิทำให้ผมนึกถึงคนแถวบ้านผมคนหนึ่ง แกเป็นคนจีนคนเรียกแกว่าตะแป๊ะเตียวเป็นมิจฉาทิฏฐิมากเลยครับลุงพี่ที่ไปด่าพระสงฆ์องค์เจ้าหาว่าเป็นพวกขอทานเกียรติคร้านไม่ธรามหากินแกมีลูกชายอยู่คนหนึ่งชื่ออัตตงแต่เด็กคนนี้กลับมีความเห็นตรงข้ามกับบิดาคือเป็นสัมมาทิฏฐิบิดามีอาชีพฆ่าหมูก็พยายามจะถ่ายทอดวิชาให้ลูกชายแต่อัตตงแกไม่เอาหนีไปบวชเนนอยู่ที่วัด เตียก็ไปจุดกระชากลากดึงจะให้ศึกมาฆ่ามูขายบอบมากชีวนะทำแบบนี้บอบเลือกเกินพิกษุวัยห้าสิบเศษว่านอนสิครับแกตามรังควานจนเนรลูกชายตรงนี้ไปอยู่วัดอื่นเพอลูกบวชเป็นพระแกะก็ไปขู่จะให้ศึกจ้างชายชะกันสองคนจะให้มาทำร้ายพระลูกชายก็ประกาศต่อหน้าบิดาว่าขอยอมตาย จะไม่ยอมศึกชายสองคนที่ตะแปะจ้างไปเกิดกลัวบาปจึงพากันกลับตะแปะกโกรธมากไปยืนด่าพระลูกชายที่น่ากุติผู้ชาวบ้านพากันมาห้ามแกก็ด่าพวกเขาครรนชาวบ้านจะรุมทาร้ายแก่ก็เกรงใจพระลูกชายเลยต้องยอมให้แกยืนด่าพระอยู่อย่างนั้นตอนหลังพระลูกชายเลยหนีมาอยู่บางกอกครับผมก็รู้จักท่าน หนุ่มเจริญช่วยบิดาเล่าแต่แปะตายไปจะตกนรกไหมครับหนุ่มกันเชียงถามขึ้นไม่ต้องสงสัยคนมิชาทิฏฐิตายไปก็ต้องตกนรกทั้งนั้นลุงลุงตอบนรกมีจริงหรือครับลึกชายในลานถามอีกเจ้าไม่เชื่อกลร น, นั้นหรือมหาแพทยย้อนถามบอกไม่ถูกครับลุงลุง บางครั้งก็อยากจะเชื่อแต่บางครั้งผมก็คิดว่าเป็นเรื่องเล้วไหลดีแล้วที่เจ้าคิดอย่างนั้นการเชื่ออะไรง่ายๆไม่ใช่วิสัยของคนฉลาดลุงลุงชอบคนที่เชื่อยากเพราะสอนง่ายส่วนคนที่เชื่อง่ายนั้นสอนอยากแต่เจ้าอยากรู้เรื่องนรกสวรรค์เจ้าต้องพิสูจน์ด้วยตัวเอง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 ยังไงพอจะเล่าให้ลุงลุงฟังได้ไหมยินดีครับคือยายของผมมักพูดเรื่องนรกให้ฟังเสมอๆเป็นต้นว่าคนที่ทำบาปตายไปจะต้องตกนรกผมก็ถามยายว่านรกอยู่ที่ไหนยายบอกอยู่ใต้ดินผมก็เลยลงไปขุดดูก็ไม่เห็นพบนรกสักหน่อยพบแต่ไส้เดือนกับกิ้งกือ คนฟังทั้งพระและครือขัสต่างพากันหัวเราะเมื่อหนุ่มน้อยเล่าจบแล้วมหาแพวจึงพูดขึ้นว่าแต่วิธีของลุงลุงไม่เหมือนกับของเจ้าเอาเถอะแต่สนใจแล้วจะสอนให้รับรองว่าเจ้าจะพบนารกไม่ใช่พบแต่ใส่เดือนกับกิ่งเกือเหมือนครั้งที่แล้วอย่างแน่นอนเอาละ่ะคุยกันมานานแล้ว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 และถ้วยชามส่วนทิดพองนั่งคุยกับมหาแพล่พรุ่งนี้ผมจะมารับเจ้ากันเทียงไปสมัครสอบที่โรงเรียนสวนกุหลาบนะครับเขาเรียนมหาแพ้วดีเหมือนกันอัตมาจะได้ไม่ต้องไปประเดี๋ยวเขาจะรับเพราะเห็นว่าพระมาฝากก็อย่างที่พูดกันเมื่อกี้อัตมาไม่ชอบวิธีนี้ กรับถ้าเช่นนั้นพรุ่งนี้เวลาสองโมงเช้าผมจะมารับแกนะครับวันนี้เห็นจะต้องกราบลาฝากของเข้าไว้ที่ท่าเรือจะเริญมาลาหลงลุ ง, ลงพรุ่งนี้ค่อยมาใหม่ทิ์พองบอกลูกหนุ่มน้อยคลานเข้ามากราบหลวงลุงสามครั้งก็ให้จําเรินนะหอนุ่มวันหลังว่างค่อยมาคุยกันใหม่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 และพูดภาษาบางเกาะกับเขาช่างปรับตัวได้รวดเร็วดีแท้